เอกาหะปฏิชันะอับพาลว่าด้วยอับพาลสำหรับอาบัตปิดไว้วันเดียวภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วบอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียว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 ภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงอับพานภิกษุอุทายี